ทุกข้อเป็นอย่างนี้หมดเนะท่ามกลางทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนเนี่ยนะมือใครยาวสาวได้สาวเอาทั้งคดทั้งโกงทั้งเอารัดเอาเปรียบสารพัดสารพัดงัดเล่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วท่านคิดอย่างไรล่ะตรงกันข้ามรักทรัพย์หมายคือว่าท่านไม่ถือเอาของคนอื่นแต่ท่านก็ไม่ใช่ให้คนอื่นถือเอาของของตนท่านก็มีปัญญาไม่เบียดเบียนทรัพย์ของคนอื่น แต่ก็มีปัญญารักษาทรัพย์ของตนมีปัญญาทำรรทรัพย์ของตนให้เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะมันจะต้องรักษาเรียกว่ารักษาศีลท่ามกลางความทุศีลเนี่ยนะท่ามกลางกระแสแห่งสังสารวัตรที่โดยมากสัรพษษสัตทุศีลถ้าวินิจฉัยไม่แม่นยำล่ะเป็นยังไงถ้าวินิจฉัยไม่แม่นยําเพราะคนที่ให้ทานมากเนี่ยนะทำให้มีอํานาจเยอะเพราะทานเนี่ยสำหรับคนที่ให้ทานมาเยอะเนี่ยนะ ทานเนี่ยเป็นเหตุให้มีอํานาจเป็นต้นถามว่าอํานาจเป็นเหตุให้ทําบานาติบาได้ไหมอํานาจเป็นเหตุให้ทำอมจินนาทานได้ไหมอํานาจเป็นเหตุให้ทํากาเมสุมิฉาจาร์ไหมอานาจเป็นเหตุให้มุสาวาจเป็นเหตุให้ปิสุณาวาจาพุทธวาจาสัมผัปลาปะอํานาจเป็นเหตุให้อภิชาพยาบาทกลายไปเป็นมิจฉาทิฐิเป็นต้นได้ไหมแล้วคิดอย่างไรเมื่ออํานาจเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยมีแล้วจะไม่นํามาซึ่งบาป มีบุญมีอำนาจมีเดชมีศักดา์มากแต่ไม่ฉาบทารูปไรไปด้วยบาปอากุศสลธรรมตรงกันข้ามเมื่อมีคำว่าผลบุญมันให้ผลกลับรักษาศีลได้ยิ่งกว่าเดิมกลับให้ทานกลับสร้างคุณงามความดีได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปเนี่ยนะมั น, นถ้าไม่ใไขครวนไว้อย่างดีเนี่ยนะถามว่าถ้าไม่คิดไว้อย่างดีเนี่ยจะกําหนดเส้นทางความคิดตัวเองได้ไหมเนยนะจะต้องรอบรู้ว่าเส้นทางของความ คิดเป็นอย่างไรกระแสแห่งความคิดเป็นอย่างไรคิดยังไงให้ใจไหลไปกับทานเนี่ยนะเป็นเป็นถนนเนี่ยนะสร้างถนนแล้วให้ไหลไปในทิศ ท, ทางเพื่อโพธิญานไหลไปในทิศ ท, ทางเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะสร้างศีลทั้งจารีตศีลและวาเีตศีลทั้งข้อละข้อเวน้นและข้อเจริญข้อปฏิบัติเนี่ยนะเสริมเพิ่มพูนให้หนักแน่นมั่นคงเนี่ยรองรับวันศีลของพระองค์เนี่ยยิ่งกว่าแผ่นดินอีกแผ่นดินเนี่ย ไม่ได้หนักแน่นเท่ากับศีลของพระองค์ศีลของพระองค์เนี่ยหนักแน่นหนักแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินนักเนี่ยนะแผ่นดินนี่ได้ข่าวคราวว่าแผ่นดินไหวมีให้ได้ยินแต่ศีลของพระพุทธเจ้า ว, วันไหวไม่เคยได้ยินเพราะเป็นผู้ที่มีศีลหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติคือศีลเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยเป็นฐานอันหนึ่งได้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะเพราะถ้าคนไม่ ไม่สะสมในการพิจารณาใครครวรคุณของการรักษาศีลโทษของการไม่รักษาศีลอะไรเป็นเครื่องเศร้ามองของศีลอะไรเป็นเหตุให้ศีลเจริญยิ่งขึ้นไปและถ้าไม่เห็นศีลว่าเป็นทรัพย์เนี่ยนะจะรักษาศีลแล้วถ้าไม่มีปัญญาจริงอะจะรู้ไหมว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลศีลเป็นเหตุให้บรรลุเป็น พระพุทธเจ้ายังขนาดยุคคนยุคหลังๆมาเนี่ยนะขนาดพระพุทธเจ้าสอนเป็นปิดกปิดกพระสูดอีกเยอะแยะพระอภิธรรมอีกเรื่องศีลซะส่วนใหญ่พระสูดก็ศีลศีลขันธวัชทุกสูตรศีลนาหน้าหมดเนี่ยนะแล้วก็มัชฌิมนิกายก็เป็นศีลเนี่ยไม่รู้กี่สูตรต่อกี่สูตรสั่งยุทอังคุดเป็นต้นเรื่องศีลทั้งนั้นแหละแล้วก็อภิธรรมปีดกก็ยังมีเรื่องศีลขึ้นมาอีกแต่ตรงกันข้ามตาถั่วยังไงบอกศีลไม่จําเป็น มันกลายไปเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นนะขนาดมีคนบอกมีคนสอนแต่ท่านไม่มีใครสอนท่านรู้ว่าศีลเนี่ยมันจาเป็นเนี่ยนะท่านเห็นคุณประโยชน์ของศีลดยที่ไม่ต้องมีคนบอกเนี่ยนะั้นถามว่าจะต้องมีปัญญาวินิจฉัยก็เหมือนกับว่าคนที่มองแผ่นดินแล้วกรองหาเรศของคำได้เนี่ยนะถือว่าเก่งมากเนี่ยนะ แล้วก็กลั่นเอาแต่ทองคํามาล้นล้วนเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเพื่อที่จะสร้างวังเป็นทองคำเนี่ยนะเรียกว่าดูจากดินแล้วก็เรียกว่าคั้นดินเนี่ยนะคัดหาแร่ทองเนี่ยนะแล้วมาสร้างเป็นเป็ น, ป, นปราสาทราชวังฉันใดพระพุทองค์ก็เหมือนกันสแสวงหาศีลจากความทุศีลในสังคมที่ไม่มีศีลเป็นต้นแต่สมาทานศีล ร, รักษาศีลให้ศีลหนักแน่นมั่นคงยืนยาวนาน จนศีลอันอนั้นเป็นบาตรแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและสามารถสอนให้ผู้อื่นมีศีลถ้าไม่คิดมามากจริงๆเลยเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ใช่นักวิจัยนักไข้ครวนจริ ง, รงๆแล้วยากแม้แต่สมาธิก็เหมือนกันวิธีการเจริญสมาธินี่นะมันพระองค์รู้หมดว่าสมาธิมันคืออะไรสมาธิมีความหมายว่าอย่างไรลักษณะของสมาธิเป็นอย่างไรเนี่ย หน้าที่ของสมาธิคืออะไรแล้วอาการของคนมีสมาธิเป็นอย่างไรแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วเหตุใกล้ให้เกิดสิ่งที่เกิดเหตุใกล้ก็เรียกว่าสาวหาปัจจัยต่อต่อกันไปแล้วรู้ว่าสมาธิเนี่ยมีผลอย่างไรเป็นฐานรองรับอะไรบ้างสมาธิดีอย่างไรสมาธิให้ผลในปัจจุบันอย่างไรสมาธิให้ผลต่อไปต่อต่อไปอย่างไรเนี่ยนะแล้วสมาธิ tape, มีความสำคัญมีความจำเป็นแค่ไหนแล้วสมาธิมีกี่ประเภท สมาธิเป็นอุปจาระสมาธิเป็นอปปนาสมาธิสมาธิระดับไหนเป็นแค่อุปจาระสมาธิระดับไหนเป็นถึงระดับอปปนาสมาธิระดับไหนพัฒนาต่อด้วยต่อไปหาอารูปฌานได้สมาธเาิเหล่าใดเป็นบาตแห่งสมถะอย่างอื่นๆและสมาธเาิเหล่าใดเป็นบาตแห่งวิปัสนาแล้วบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนให้ผู้อุ่นเจริญสมาธิได้อย่างไรในท่ามกลางธรรมะ้่ามกลางหมู่ชนผู้ฝูงซ่านแนะนําให้คนอื่นมี สมาธิได้อย่างไรในท่ามกลางประชุมชนที่มีโทสะแต่ท่านสอนผอมมีหารในท่ามกลางประชาชนผู้เต็มไปด้วยโลภะแต่ท่านสอนให้เจริญอัโลภะเนี่ยนะท่านทำได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีบุญจริงๆแล้วถ้าไม่ใคร่ครวนจริ ง, ร ง, ร ง, ร ง, รงๆเลยเนี่ยนะไม่รอบรู้จริตนิสัยของสัตว์ทั้งหลายแล้วนะท่านจะทาได้อย่างไรนั้นแสดงว่าใค ร, คร่ครวญวิจัยรา ย, รายละเอียดในเรื่องของ สมาธิและที่สําคัญบอกว่าถือว่าสมาธิเป็นสาระเพราะอะไรเพราะอารมณ์ในโลกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านซะส่วนใหญ่คิดง่ายๆเลยหน้าใครมั่งเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจเนี่ยนะเห็นหน้าปั๊บใจสงบเลยเนี่ยนะมีสักกี่คนนี่ยเห็นหน้าไอคนนี้ปั๊บเรื่องนี้เข้ามาไอคนนั้นเรื่องนั้นเข้ามาไอโน่นโน่โนเรื่องนโน้นเข้ามาแปลว่าโดยมากในโลกนี้สีหน้าทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความฟุง้งซ่าน เออแต่พระ อ, องคิดยังไงเ อ, อ่ยสีหน้าฟูงซ่านเห็นแล้วสงบแล้วทํายังไงคนที่กําลังฟูงให้สงบได้ออนะแล้วรู้หรอรู้ความสามารถขนาดนั้นแล้วไม่ใช่คนคนเดียวเนี่ยนะซึ่งพระ อ, องค์เนี่ยจริงๆแล้วพระ อ, องค์เคยเป็นศาสดาก่อนหน้านี้มาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นศาสดาเช่นอรารกะศาสดามหาโควินทศาสดาโชติปาลศาสดาเป็นตน้นเป็นศาสดาไม่รู้กี่ศาสดา่าสอนเรื่องสมาธิเนี่ยนะแต่พระ อ, องค์ก็บอกว่านั่นไม่ใช่เป็นไปเพื่อ ความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นพระองค์เข้าใจเรื่องสมาธิเป็นอย่างดีบอกสอนแนะนำที่เรียกว่นเนคขมมะเพราะเนคขมมะหมายถึง ส, ส, ส, ส, สมา ธ, มาธิทั้งหลายนั่นแหละจึงรอบรู้แล้วถือเอาสมาธินั้นเป็นสาระเนี่ยนะแล้วก็ในที่สุดมรรคแดเนี่ยที่จะตรัสรู้ยังไงก็ขาดสมาธิไม่ได้เพราะสมาธิจึงเป็นเนคขมมะเนี่ยสมาธิจึงเป็นเนขมมะแล้วที่สาคัญก็คือ ปัญญาเนี่ยนะเรารู้นะอย่างพวกเราทั้งหลายรู้นะว่าในโลกนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรบอกปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดคนที่มีปัญญาเนี่ยนะทำอะไรก็ได้ประสบความสําเร็จหมดขอให้มีปัญญาเข้าจริงๆริบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเพราะถ้ามีปัญญาจริงๆร่ยนะพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้ขอให้มีปัญญาอย่างแท้จริงแต่แล้วไอ้ปัญญาเนี่ยปัญญามันก็มีอาหารใช่ไหมอย่างอย่างในโลกท่ามท่ากลางโลกที่มืดมิดเนี่ย เรารู้ไหมว่าจำเป็นต้องใช้แสงสว่างบอกรู้และ ว, วิธีสร้างแสงสว่างมีกี่วิธีเนี่ยนะมีกี่วิธีไงโอ้ไม่ง่ายเหมือนกันนะ วิธีที่จะทําโลกที่มืดมิดให้มันสว่างเนี่ยนะไม่เชื่อไปอยู่ท่ามกลางคืนเดือนมืดมิดอยู่ในปา่าในเขาเนี่ยนะฝนนองเชอะเชอะแล้วก็มืดคลึ้มไปหมดเลยนะลมก็แรงทํำยังไงคิดยังไงให้มันสว่างขึ้นมาในท่ามกลางโลกนี้ที่อยู่ด้วยความมัวเขลาบาบรราัญญาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะแล้วเราจะยังไงรู้ว่าการให้ทานนี่มันมีผลจะมีปัญญารู้อย่างนั้นได้อย่างไรมีปัญญารู้ว่าการรักษาศีลมีผลบางคนเนี่ยไอเถ้าเขาบอกว่า แม่ฉันรู้นะว่าวิธีฆ่าคนมีกี่วิธีไอ้เท่ยังนี้เขาเรียกว่าหมดปัญญาเขาเรียกว่าเข่าไร้ปัญญาเนี่ยนะถ้ารู้วิธีฆ่าคนอื่นเท่าไหรเรียกว่าไร้ปัญญาเท่านั้นถ้ามีปัญญาจริงต้องรู้ว่าจะไม่ฆ่าคนอื่นได้อย่างไรและจะช่วยให้สัตว์อื่นเว้นจากการฆ่าได้อย่างไรนั่นจึงเรียกว่ามีปัญญาให้คนอื่นเว้นจากอัินนาทานให้คนอื่นเลิอกอัินนาทานได้อย่างไรเป็นต้นนั่นจึงจะเรียกว่ามีปัญญาเพราะคนที่มีปัญญาจึงคิดแก้ แก้ปัญหาว่าทํำยังไงจะพ้นจากมัจฉริยะพ้นทํำยังไงจึงจะพ้นจากความทุศีลทําอย่างไรกุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปทํายังไงสมถาวิปัสนาจะภัยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอันวิธีปลูกฝังปัญญาเนี่ยต้องทําอย่างไรไอ้สําคัญเนี่ยคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะทําปัญญาให้เจริญได้คิดยังไงเราจึงจะมีปัญญาเอาอย่างเราพวกเราเรียนคําสอนมาอย่างนี้เ น, นี่ยนะคิดยังไงให้มีปัญญา แค่เบื้องต้นธรรมดาง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยมีปัญญาพอที่จะนึกไหมไหมว่าในสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้สังคมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยนะราถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีอะไรรู้นะเออเนี่ยพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้ สอนว่าอันนี้ควรรู้ยิ่งสอนว่าตรงนี้ควรกําหนดรู้สอนว่าตรงนี้ควรละตรงนี้ควรทําให้แจ้งสิ่งนี้ควรเจริญสิ่งนี้เสื่อมสิ่งนี้ดารงอยู่สิ่งนี้วิเศษขึ้นสิ่งนี้แนวโน้มชําแระกิเลสนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรธมักอันนี้จังเป็นอย่างนี้ทุกขังเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นสุตตะมยญาณเนี่ยนะพันธุ์ก็ต้องรู้ว่ามีปัญญาที่มาจากการฝังนั้นวิธีสร้างปัญญาเนี่ย สร้างได้อย่างไรให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพิ่มพูนเสริมเพิ่มแต่งทําปัญญาให้เติบโตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างไ ร, รก็ต้างรู้วิธีสร้างปัญญาแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะปัญญาในการรักษาศีลปัญญาในการเจริญสมาธิปัญญาในการวิจัยขันอาญตนะธาตุปัญญาที่วิจัยทุกวิจัยสมุทยัยวิจัยนิโรธวิจัยอริยมรรคเนี่ยนะท่านพระองค์นี่มีปัญญา อย่างเช่นถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยจะรู้ไหมว่าแนวทางเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเราก็มีทุกสัตว์อื่นก็มีทุกขถ้าไม่มีปัญญาจะเข้าใจไหมไอ้ความดับทุกขมันคืออะไรความดับทุกขของแต่ละคนคิดเนะี่ยเออเนี่ยนะถ้าเราจะพ้นทุกเนี่ยมันพ้นจากมันจะพ้นทุกได้อย่างไงเนี่ยถ้าไม่ไม่มีคําสอนเลยนะเอา บางทีขนาดมีคําสอนแลยยังเข้าใจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรทําอย่างไรจึงจะพ้นทุกเห็นความเกิดปั๊บเนี่ยโอ้ AU! ความเกิดเป็นทุกที่สุดแห่งความทุกขอันนั้นคืออะไรความแก่เป็นทุกขที่สุดแห่งความแก่ที่พ้นทุกคืออะไรความตายเนี่ยเป็นทุกขที่สุดที่พ้นตายเนี่ยเป็นสุขเป็นอย่างไรสิร่งนั้นคืออะไรความโศกเป็นทุกของเราเนี่ยคิดให้ดับโศกมันยากนะแต่คิดให้มันโศกขึ้นเนี่ยไม่ยาก คิดให้โกรธไม่ยากแต่คิดดับความโกรธยากเป็นต้นนั้นนะคิดให้เป็นอักขุศลเติมโตขึ้นไม่ยากแต่ถ้าคิดให้เป็นาาจากอักุศลแปรสภาพมาเป็นกุศลยากแล้วรักษากุศลให้ต่อเนื่องทํากุศลอันนั้นให้โตขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคิดแบบคิดแบบเด็กๆสมัยใหม่นี่นนะวิธีวิธี หาสตังมาเนี่ยไม่ยากมันไม่รู้จะหามาได้ยังไงนะเช่นเนี่ยขับรถผ่านถนนไปเนี่ยเอ๊ทอะทำยังไงจะทําให้มีเงินมีฐานะมีการครองชีพแต่ถ้ามีเงินและจ่ายอย่างไงเนี่ยเข้าใจไม่ยากใช่ไและที่มีอยู่เนี่ยให้มันหมดได้เร็วที่สุดเร็วได้ยังไงเนี่ยโดยมากเข้าใจไม่ยากแต่ถามไอ้ที่มีแล้วทําให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นโ อ, อยากนั้นปัญญาก็ลักษณะเดียวกันทําอย่างไรจากไม่มีปัญญาแล้วทําให้มี ปัญญาและสำคัญที่สุดมีปัญญารู้ชื่อปัญญาบ้างหรือเปล่าอันนี้เนี่ยสาคัญมากนะเข้ามาก็จําชื่อปัญญาได้ไม่หมดนะปัญญาในญานะเจ็ดิบสามนี่ยังจําชื่อปัญญาได้ไม่หมดเลยเนี่ยนะว่าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขามีปัญญาอะไรบ้าง ทีนั่เอามานั่งนึกอ้มีสุตมะยปัญญามีสีละมะยปัญญามีสมาธิภาวนามะยปัญญามีปัจจยะปริกหขยานมีสัมมสนาญานมีวิปัสนายานอุทยพยานพังขยานอาทีนาวยานนิพิธยาณเนี่ยนะสังขะมุนจิตุกรรมยตายานสังขารูเปขาญานอนุโลมยานโคตรภูยานมขยานโพลยานมิมุติยานปัจเวคนายาณเนี่ยนะญาณวัตถุภายในญาณวัตถุภายนอกเป็นต้น จนถึงยานในปฏิสัมพิทาสียานในอริยศาสสี่ยานในอาศาธรณะยาณหเป็นต้นนั่นคือชื่อของยานก็ยังเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะแล้วยังจําแนกยานเป็นหมวดหนึ่งหมวด2หมวดสาหมวดสี่หมวดห้าจนหนึ่งหมวดเป็นร้อยแปเป็นต้นเนี่ยหมวดยานในยะต่างๆให้ชื่อปัญญายังกะยากจะกล่าวไปใหญมีปัญญาอันนั้นนะ่ะนะเนะเพราะนั้นะปัญญาเนี่ยทำยังไงปัญญาที่ยังไม่มีให้มีขึ้นทํายังไงปัญญาที่มีขึ้นแล้วเนี่ยนะเพิ่มพูนกว้างขวางยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปนะ่ยนะ ทำยังไงจึงจะมีประาการอะไรนะท่านในท่ามกลางโลกที่มืดมิดเนี่ยทำยังไงให้มีแสงกระพริบขึ้นมาให้มันมันวาบขึ้นมาบ้า ง, งนะแล้วทำเนีย่ย ไ, ไอ้แสงกระพริบเนี่ยให้มันสว่างได้นานๆขึ้นให้มันสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ยาม เที่ยงวันนทยังไงให้ความสว่างแห่งปัญญาเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างนั้นทำให้มีปัญญารู้โ อ, อนี่ควรรอบรู้นะมีปัญญาวันนี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญและต้องเจริญอะไรบ้างและต้องเจริญอย่างไรและวิธีการเจริญมีอย่างไรปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อการเจริญนั้นเป็นอย่างไรเป็นสุขขาหรือเป็นทุกขาปฏิปทาแล้วปฏิบัติต้องมีศรัทธานาหน้า มีฉันทะานำหน้าหรือมีความเพียร น, นำหน้ามีจิตนำหน้าหรือมีปัญญานำหน้าเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมาวินิจฉัยใครครวญอย่างเรียกว่ายิ่งยิ่งใหญ่มากเนยนะใหญ่โตจริงๆกว่าเรียกว่าผู้ที่เป็นพหูสูตรแล้ว อ, อย่างอย่างของพวกเราเนี่ยเขมีบุญนะมีคําสอนแต่ถามว่าชาติที่ไม่มีคําสอนเราเรียนอะไรกันเนี่ยเอาจะมีปัญญาคิดยังไงนะแค่มีปัญญาเรียนตามยังยากเลยอย่างั้นนะแล้วถามชาติต่อตไปเนี่ยจะมีปัญญาคิดเองได้ยังไง เรียว่าโอ้เขาจะบรรลุแล้วขอให้จริงเถอะเนี่ยนะไม่กลัวมานะจะได้เอาของไปทําบุญได้มั่งอนนแต่ปัญหาว่ามันไม่บรรลุเนี่ยมันอยู่ยังไงต่อไปเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าแค่ว่าอยู่กับพระไตรปิฎกไปยังไม่ได้อ่านแล้วลืมพระไตรปิฎกมาเนี่ยเอาไปด้วยเลยจะขนาดไหนแค่ว่าไอ้อ่านก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วลืมไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมาด้วยเนี่ยโอ้มันจะขนาดไหนแล้วชาติต่อตอไปนี่ก็เหมือนกันมันรีบเรียนไว้ให้เยอะๆเน้อเดี๋ยวชาติหน้าไม่มีปัญญาเรียนนะยุ่งเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีตําราให้เรรเรรีียนนน่ะ เขรู้ได้ไงมันไม่มีตําราหให้เรียนนะเชื่อเหรอกรชาตินี่ก็ยังดูท่านเนี่ยนะตําราก็มีแต่อ้างไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยนะไม่เชื่อถามลุงเลี้งยงเถอก็เป็นนั่งอ่านพระไตรปดอกวันละครึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่าเนี่ยนะในขนาดเวลาชีวิตเหลือนิดเดียวนะยังไม่ค่อยจะมีเวลาเลยเนี่ยนะขนาดอะไรนะมาบรรยายนา ง, ย, งยังเวลาเจียดเวลามายากแล้วธุรกิจอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะนะว่างเมืองนายจะไม่โกรธดิแก่โกรธแกไม่กล้าบอกเพราะงั้นน่นนะ